ไอ้ในงานวิจัยเนี่ยมี 2 กรณีในแง่ของคือ 1 ไม่มีข้อ 2 ก็คือได้รับข้อ ในใจพอได้จังหวะได้โอกาสความคิดซึ่งไอ้ตรงนี้ ต้องสังเกตให้ดีไว้ที่เรานึกๆ อันนี้ก็เป็นเป็นเพราะฉะนั้นในทางสภาวะธรรมเนี่ยก็เอาสภาวะของความรู้สึกเป็น ต้องสงสัยแต่ความสงสัยอย่างนี้แต่ความสงสัยอย่างนี้อย่างของเราสงสัยนั้นเป็นประโยชน์เป็นปัญญานะเป็นของที่อย่างเรา ถ้าเป็นคนที่เขาไม่นับถือธุรศาสนาเขาก็ว่าพระพุทธเจ้า เค้าไม่ได้รับถือประโยชน์ศาสนาเค้าก็ ลังเลหรือไม่ได้คิดในลักษณะคิดแล้วทิ้งแล้วไม่ได้เกิดอคติกับสิ่งอ่ะไม่ แล้วก็อาจจะพูดๆแล้วเขาคิดเอาใหม่อาถของโทสะคือความ อันนี้ท่านได้เอาอธิบายด้วยสามารถเกิดขึ้นเองได้โดยไม่มีต้นจิต อกุศลก็ต่างมันจะมีเป็น 2 1 คือมีต้นความรู้สึกในทางเช่นท่านจะมาฟังที่ เข้มแข็งเพราะว่าท่านได้รับการอุดหนุนหรือปลักดันจาก ทุกกุศลมีต้นจิตอุดหนุนได้ทั้งนั้นแล้วก็กุศลใดที่เกิดขึ้นจากอ่ากุศลก่อนที่เป็นต้นจิตเนี่ยเราถือว่ากุศลนั้นเป็นอสังขาริกแรงยิ่งหย่อนกว่ากันอย่างไรขึ้นไปนั้นก็อยู่ที่อ่ากําลังและปริมาณ ทำไมเด็กบางคนเนี่ยเกิดขึ้นมาก็เกิดสำนึกในทางธรรมต่าง แม้ไม่มีใครมาจูงแม้ไม่มีใครมาบอกแม้ไม่รู้ว่ามีอะไรอย่างนี่ก็พลังต้นจิตที่ทําให้ มันก็มีต้นติดต้นติดเหล่านี้อย่างหนึ่งก็คือเกิดขึ้นจากพลังของโฆษณาการโฆษณาเนี่ยเป็นการแนะ มันก็เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ ว่าให้เชื่อเธอให้ชอบเธอให้ไม่ชอบเธอหรือ ไอ้ตัวโมหะเนี่ยมันแปลกครับว่าแม้ว่ามันจะเกิดมากเกิดกันมาๆแล้วทุกคนแต่ทําไมนับว่าเป็นต้นจิต มันกลับไม่เข้มแข็งเออทําไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้นะมีถามมาทําไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้เกิดบ่อยๆคิดว่าสงสัยบ่อยๆในโมหะมัน อันนี้เค้าเรียกว่ามันเป็นลักษณะของการทําลายกันๆกับคุณสมบัติของมันล้างใน เออบ่เป็นๆ10 ปีก็ยกก็สอบปลิวๆปลิวเลยเผ่าก็ศาลน่ะอ่ะ เพิ่มแล้วทําลายเองเราจะเทียบกันอย่างว่าเหมือนกับหาแล้วก็ใช้หมดหานะสร้างเนื้อสร้างนี่เป็นข้อๆว่า หลงส่วนเบื้องต้นไม่เป็นต้นจิตเอื้อมพลังให้กับความหลงส่วนเบื้องปลายเลาะมันกัดอ่าในที่ข้อความไม่ มันเกิดน่ะมันเกิดเพราะไม่มี 3 ก็เป็นข้อ นะนี่ก็เห็นจะมีความหมายที่ชัดเจนสําหรับ ตอนตอนในท้ายของเอกสารๆตรงนี้ว่าไม่ได้ปฏิเสธปัจจัยทั้งหลายอื่นที่ทําให้ใช่หรือไม่โมหะมี บางทีท่านก็แสดงบางอย่างไว้เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างบางทีก็แสดงมากมายหลายอย่าง เอาโมหะเป็นที่ตั้งทําไว้ในใจโดยอุบายอันโดยอุบายๆไม่ตั้งๆไม่ เรเราข้อหนึ่งจะเลื่อนลอยไปตามกับกระแสของอารมณ์ ตัณหาจนหลงนะตามตรงนี้ไอ้ความตัณหาเป็นกิเลสตัวหนึ่งแต่เป็นเป็น อัญญมัญญปัจจัยคือเป็นปัจจัยอุดหนุนกันอย่างนี้นี่ในแง่ 2 ข้อเนี่ยว่าคนจะละโมหะได้พอนาทํายัง ใครที่หนีบแข็งใจให้ทานเราก็จะนี่ผมมีหนังสือ แล้วก็ไอ้ขั้นที่ขั้นหนังสือเนี่ยผมว่าสู้รูปที่เราก่อนน่ะใครจะรู้จักท่านบ้างผมเออก็ได้เกิด <c oughs> อ่าเปิดพลิกไปอีกบางส่วนอีกบทนึงมีรูปๆหลานๆนะเค้าเคยเอาหนังสือมาลูก คนดีๆเนี่ยครับมีคนดีที่นี่ตายก่อนผมผมขออนุญาตตัด เออว่าไม่ใช่ไปซื้อหนังสือโจรเอารูปโจรมาๆมามาใส่ในหนังสือ เขาเป็นนักทำตาลเขาจะฉลาดเรื่องนี้เหมือนกับเราเอาทำอาชีพอะไรเนี่ยครับ เพราะว่ากิเลสทุกตัวนั้นทําให้เกิดความโมโหเรากิเลสออกความสลัดที่กิเลสตัวอื่นมันช่วยเสริมช่วยซ้ําช่วยบังไว้ก็จะกระจ่างขึ้นแก่เราเราเอาอุทธัจจะออกความไม่สงบท่านได้สมาธิ ส่วนที่กล่าวถึงเหตุที่ทําให้เป็นอสังฆลิกอะไรนี่ แล้วก็เมื่ออกุศลนั้นได้เกิดขึ้นแล้วมีแรง ในพระดินที่เรียกว่าจิตมีโมหะใครที่เป็นนักฟังจิตที่แปลว่าจิตมี จิตมีหมายถึงมีโมหะเกิดอยู่ในว่าจิตเนี่ยมัน ก็ต้องแปลว่ามีคือเกิดอยู่ในนั้นมีดีโมหะเกิดในจิตนั้นถ้าจิตดวงนั้นดับไปแล้วแม้ว่าจะเป็นจิตของเราเองเปลี่ยนมาเป็นกุศลสมุทโดยอันนี้เป็นการกล่าวโดยจิตโดยสภาวะธรรมว่าเป็นขณะขณะจิตใดเกิดโมหะที่ 12 ดวง คือ 2412 เพราะอะไรเพราะมี 12 ดวงนี้อ่าเราแบ่งเป็นเนี่ยถามว่ากลุ่มไหนโง่แรงกว่ากัน <c oughs> <c oughs> ส่วน Voc Młość aga студien. facilit medidas บ่อยงั้ย Ran Could จมงั้ยงั้ย Studio ซ่วนโมหะหม professionally ตั้งนั้น ma Oh Copy banks would judge pan işo opps แต่ถ้าถามว่าใครมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก siz Rachid มติดว่างidar vid沒關係 โมหะ sponsors Dios อันors ขessential pinna что да measures a lot from others 인nymめて process และ余น presidency it means the I am миliness de explaining against the Kos Sorry ถ้าโมหะเกิดในโลภะเฉพาะอีอารมณ์แต่ถ้าเกิดใน <c oughs> สำหรับคนที่อ่าไม่ได้อบรมสำน่อมไว้ในทางกุโตลจิตอ่ะตรงนี้อืมทีนี้โมหะจิตที่เรียกว่าจิตหลงเนี่ยครับถ้าได้ 2 <c oughs> เท่านั้น หมายความว่าจิตที่มีโมหะเป็นมูลอย่างเดียวโมหะมูลจิตคือ แต่ถ้าโมหะมูลจิตอย่างไรพระเรียกจะหมาย <c oughs> 2, 2. นั้นนี้ก็เป็นที่ <c oughs> <c oughs> เวลาคนเกิดโมหะเนี่ยมองลงไปในจิต 3 เนี่ยครับ โมหะนี่ผมเน้นจิตชัดอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วครับถ้าเราพบคําว่า 81 ทั้งที่เป็น ต้องมีคือความหลงเวลามันเกิดในจิตน่ะมันเกิดในจิตบาง จริงไม่จริงอารมณ์บางอย่างน่าฉลาดมากๆมันน่าโง่มากยาเรื่องอะไรโอ้ฟังแล้วโง่เลยเออมันแทนที่จะฉลาด พอเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็จะไปโทษคนฟังจิต 89 เนี่ยจิตที่ไม่ 8 ก็ 8 มัน ไอ้อย่างมค้าวิชาตวะไม่ได้เลยก็นึกถึงจิตพวกนี้ไม่ได้หรือนึก แม้จะเป็นกุศลยานสมยุตที่เป็นกามาวจรกุศลก็ตามหรือแม้แต่ เราไม่ต้องปูนว่าคนบางคนอ่านได้นะแม้ว่าจะอ่านคําว่าปัญญาออกก็อาจจะ เป็นจิตที่ยังเป็นอารมณ์ของอารมณ์ของอารมณ์ได้เนี่ยคนได้ปัญญาแล้วจะ การนี้จะฉลาดกับโง่อ่ะโง่กับปัญญาเออมันเป็นได้ยังไงก็ เพิ่มกับอีกบางครั้งเค้านึกถึงความรู้ก็แล้วเค้าโง่เค้าโง่หมายความว่าเช่นคนเนี่ยนายนายคนหนึ่งใครคนหนึ่งที่ ไม่มีใครคนอื่นรู้อย่างนี้แล้วก็โง่เหมือนกันหรือรู้มั้ยเรานี่เก่งแล้วก็รู้หมดแล้วโง่มั้ยฮะโง่เค้านึกว่าเนี่ย เป็นไปได้เพราะฉะนั้นการที่คนมาศึกษาธรรมะมาเรียน ท่านผู้ทรงคนทุกคนหนึ่งเมื่อวันพุธที่ท่านเป็นนักวิทยากรรุ่นเก่าแก่งานมากแล้ว ก็เคยวุฒิเล่มก็อ่านก็ดีทีนี้มาคือท่านท่านผู้ ทางอินเดียนะแล้วก็เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับลัทธิของ 6 ลัทธิมาอธิบายให้เป็นที่ตื่นเต้นแก่นักพราหมณ์ใน ซึ่งเป็นปรัชญาประการหนึ่งของฮินดูครับแล้วก็มีผู้คัดค้านผมก็เพิ่งรู้มีคนคัดค้านแต่ผมน่ะ มาจากสังขยะในนั้นน่ะโดยไกลว่าเอาสังขยะเนี่ยมากับใหญ่กว้างมาๆถ้าคุยกันๆเนี่ยท่านอธิบายได้หลุด การที่คนได้ไปเรียนรู้ในขั้นปริญญาในศาสตร์ใดๆพวกนี้ที่ ผมบုံยกตัวอย่างเอกสารชิ้นหนึ่งจารวีท่านเอามาให้เพื่อให้ช่วยหาหลักว่ามีคนนักกนิกกวดแล้วผม <ๆ. S 1> ห้ามแล้วก็อ้างบารีให้ชาวพุทธบูชารูปเกลกแล้วก็อ้างบาลี แล้วก็บางเรื่องก็ไม่ได้มีในสูตรนั้นก็เอามาใส่ลงไปเป็นการ อารมณ์มากก็เป็นประโยชน์แก่วิชชาน้อยลงจน เราได้คติได้ข้ออันนี้เป็นเรื่องคนแล้วนะจากเรื่องนี้สะโมโหสะโมโหเนี่ยแปลว่า คนเนี่ยหมายถึงทั้งชีวิตจิตที่เกิดดับเท่าไหร่เท่าไหร่ถือเป็นคนเดียวครับคนเดียวมีจิตหลาย ในขณะที่บุคคลกําลังเกิดโมหะมูลจิต 2 เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่ามีและเกิดโมหะจิตหรือโมหะมูลจิตเกิดเนี่ยมันคือกําลังเกิดอยู่และ นะคนขณะจิตที่มีโมหะปรากฏเนี่ยชื่อว่ามี 2 ในขณะที่ 12 ชื่อว่าเป็นผู้มีและจิตก็ได้ถ้าอ้างเอามั่วกิเลส 12 ดวงเหมือนกันมีและเกิด แต่มยังไม่เกิดบางครั้งมันก็มีด้วยแล้วมันก็กําลังเกิดด้วยประการที่ 3 ในขณะที่บุคคลกําลังเกิดโลกิยะนะครับอกุศลจิตก็หมายความว่าเราไม่พูดถึงขณะเกิดอกุศลจิตเพราะถ้าเกิดอกุศลจิตมันก็แล้วเกิดโมหะและมีโมหะเช่นในขณะที่เรากําลังฟัง ดวงที่ 1 เกิดไหมดวงที่ 2 ไม่เกิดสักดูซะก่อนนะกําหนดสติดูโยนิโสม์ไม่เกิดไม่มีไม่เกิดแต่เลยชื่อ มีเพราะว่าเรายังมีอำนาจที่สะสมมันไว้ที่จะทําให้เราจะเกิด อำนาจที่จะทําให้เกิดโมหะยังมีต่อนี่นี่คือมีกับเกิดต่างกัน 100% นะแต่เป็นโสดาปัตติกาตะกาก็ 100% แม้ แล้วเรามีโรคอยู่แล้วมันยังมากําเริบเรามีความแก่อยู่แม้จะยังไม่แก่ก็ถือว่าเป็นผู้มีเพราะยังละความแก่ไม่ได้พ้นความแก่ไม่ได้มันมีอํานาจที่จะต้องทําให้เราแก่พวกเอ่อเรียกว่าชิรณะเตโชเกียณะเตโชที่เผาลนเราอยู่ข้างใน ตามนวนบริเทียบทีไม่เกิดถ้าถามว่าพระอรหันต์องค์นั้นเกิดโมหะมูลจิตขึ้นบ้าง พูดแล้วมันไปตามอนุสัยหน่อยนะฮะเพราะมันเรื่องเกี่ยวข้องกันเอาล่ะ 2 อย่างเพราะอวิชชาเนี่ยรู้ว่ามันมีหน้าที่ แต่โดยบุคคลก็ปกปิดบุคคลปกปิดบุคคลคำว่าบุคคลไหน นี่โดยสภาวธรรมบุคคลท่านเรียกปกปิดบุคคลบุคคลผู้มีอวิชชาปกปิดเป็นจํานวนเปรียบเทียบถ้าโดยกันนะแปลว่า การปกปิดปิดด้วยอาการ 2 อย่างนี่อาการปิดนะฮะคือปิดอารมณ์ๆที่เรียกว่าปิดโมหะคือพูดๆว่าหลงใน แล้วว่าเมื่อไหร่เราหลงเกิดความหลงจะเป็นความหลง 3 ก็ตามอันในกิเลส 3, 3. กลุ่มนะกลุ่ม 1 2, 3, 3. ปรากฏเราก็เกิดกุศลจิตขึ้นขณะนี้ถึงอยู่ถึงจะล่าวิชาไม่ได้แต่ว่าตอนนี้น่ะโมหะมันไม่ได้ เคมังกําลังมีคุณเกี่ยวกับการเจริญกุศลเพราะอย่างน้อยก็กุศลและจิตเกิดอยู่แล้ว การจะลื้อถอนอวิชชาที่มีอยู่ในสังดานเนี่ย หรือทําให้เน้นเป็นพิเศษก็คือคนที่เจริญด้วยสติเจริญด้วยสติที่เราที่ผมใช้คําพูดลวกๆๆๆเนี่ย มันก็มีผลดีบางทีแล้วก็ไปมุ่งไอ้เล็กๆเป็นหลักใช่มั้ยมุ่งผลทางมิตรภาพมุ่งผลเราเกิดกุศลขึ้นน่ะเรานั้นๆเราจะได้รับความครับขอ มันได้ตามศึกษาต่อไปดูจากประสบการณ์ของตัวเองมันเกิดความสว่างเกิดความนั้นนั้นขึ้นมาทันทีไม่ว่าอะไรลองตั้งจิตเป็นกุศลให้ได้แล้วเนี่ยมันเห็นรู้ทางหมดมากเรื่องเล็กก็ตามเรื่องใหญ่ก็ตามเป็นเช่นนั้นจริงๆนี่เป็นศาลาน จะว่าตรงนี้น่ะจะเป็นสาระในทางข้อเด็ดจริงของโมหะมันก็เลยเป็นว่าเมื่อมันรับโมหะ การปิดเมื่อจิตปรากฏเป็นด้วยโมหะที่เกิด คือพูดอย่างสำนวนสำนวนคือเข้าไปแสดงลักษณะของ 2 ขณะ 2 เกิดขึ้นก็ปกปิดอนิฏฐาลม แสดงไปในสายทางอย่างนั้นในสายทางมุ่งร้ายแต่ละตัวมันก็จะมีความอ่า กระแสความประสงค์ใหญ่ของกิเลสหลายๆตัวที่อยู่ในนั้นโดยมีโมหะเป็นตัว เรเรเรากําลังทําลายข้อเท็จจริงเฉพาะหน้านั้นหรือว่าเรากําลังมองเห็นข้อเท็จจริงเฉพาะหน้านั้นมีใครๆก็ เราทำลายข้อเท็จจริงเปล่าเราชื่อว่าเป็นผู้ฟังดนตรีไม่เพราะอัปนะเป็นคนตายด้านเป็นคนไม่รู้เรื่องอะไรลึกๆไอ้ตรงว่าไอ้คนตายด้าน แต่คนที่เค้าเสพอารมณ์เหล่านั้นด้วยกุศลแล้วเค้าไม่ได้ปกปิดเช่นผมก็อยู่ให้ยกตัวอย่างว่า <riff> ที่เข้าสะบัดแก้งสะบัดขาอย่างง้นอย่างนี้ทั้งนั้นเองฮะใช่มั้ยฮะไอ้นั้นอย่างเราแล้วก็คิดอย่างนี้แต่ก็ดูเออก็ เราก็มองในแง่ของสติปัญญาทีนี้อ่าในส่วนอื่นอีกเนี่ย แอดฝรั่งเศสที่มีข่าวก็มาเรื่อยๆเนี่ยมันเอาไปเอาตายกันถึงๆให้นะแต่ว่าอย่าง ผู้ใหญ่ลอกเด็กคิดยังผู้ใหญ่ลอกเด็กว่าเออให้มันมาเอาแพ้เอาชนะกันลืมอย่างๆเป็นกีฬา มันไม่ต้องไปโกงเหรียญทองเข้าอะไรทั้งเออเดี๋ยวพอได้มาแล้วก็เป็นยังไงล่ะเรามีความสุขตลอดชีวิตมั้ยล่ะเดี๋ยวก็ต้องมาเอาจริงๆหรือผลได้ อันนี้ก็จะเห็นมันปิดจริงๆฮะปิดจนท่านเจ้าตัวเองที่ก็ลืม แต่พอมันเกิดโลกขึ้นมาแล้วมากหน้ามือนะเรื่องพวกนี้ อ่าก่อนที่ผมจะว่าข้อดิษะว่าเมื่อโมหะจิต 2 ดวงปรากฏก็ปกปิดอิตถารมอนิจจารมมัจฉตารม ขณะนี้เมื่อเรามองไอ้ขอบเขตการเกิดโดยอารมณ์เนี่ยโมหะมัน โอกาสที่กิเลสนั้นจะเกิดก็จํากัดใช่มั้ยฮะอารมณ์ใดที่มีขอบเขตกว้างออกไปขอบอยู่ รูปหน้าหน้ารูปหลังไปได้ทั่วตั้งกระต่ำจนกระทั่งสูงตั้งกระไอ้ความโง่มันก็นะความฉลาดมันก็โง่กับความฉลาดได้ใช้สติสู้กับมันใช้ แล้วๆเป็นพื้นไว้สู้กับมันถึงจะเห็น มันเยอะทุกภูมิหรือมันเยอะบางภูมิถามว่าในนรกมีอิทธาลมมีอนิทาลมมีมัจฉตาลมมั้ยน้อยมัจฉตา อํานาจมนุษย์นี่มักจะตาลมก็ได้โอกาสเกิดมากภูมิกลางแต่ว่ามันแน่ก็เหมือไปหรือไม่ เราย้อนกลับมาในโลกมนุษย์สมมุติว่าเรามองเนี่ยไปที่ไหนก็ไม่ว่ามนุษย์ ผมยกตัวอย่างเช่นว่าไก่ชนในบ้านของเศรษฐีก็อาจจะเกิดโลภะมันเกิดโมหะ จริงจกทุกแกยุงไรหรือพูดได้ชัดว่า คือไม่ได้รับรสชาติของอิจฉาลมมี พระเดชานพวกปลาพวกอะไรต่างๆที่บรรดาสวรรค์เนี่ยนะนี่ก็มีนั้นไปเอาล่ะคราวนี้จะ ที่ผมที่เน้นว่าปิดอารมณ์เนี่ยจริงๆแล้วมันปิดอะไรเราแบ่งตัวจิตกับอารมณ์จิตเป็น